ก็เห็นแหลท่านก็พยายามตูเ้เต็มที่นเนาะคือในการเปลี่ยน ประมาณสามวันเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติต่อเนื่องถ้าสามวันเนี่ยมันก็แค่ค่อนข้างอยู่ตัวเท่านัแต่ถ้าเป็นผู้ใหม่มาแรกๆก็มันก็อาจยังไม่ไม่ชินนักเนาะอย่างรงสัยย่งจับจังหวะไม่ได้นะหรือว่าไม่เจออารมณ์ก็ก็หนักก็เหนื่อยหนักถ้าเป็นผู้เก่าก็ก็ได้เนาะถ้า มาหลายั้านะมาหลายท่ก็ถ้ามาหลายท่างก็เ ห, เหมือนคล้ายเราได้ทำเป็นประจำอยู่นะมาเชแล้วเราก็ไม่นานสะพานนะไม่นานสะพานมีใครจะถามอะไรมีใครจะพูดแชร์สิ่งกับเพื่อนฟังไหมเชิญนะ เวลาเราเจอล้ามันเรารู้สึกว่ามันเราผ่านไม่ได้หรือว่าเราเอ๊ะทำไมเราเป็นแบบนี้พอะนืนเป็นแบบนั้นมันมีข้อสงสัยในใจของเราหรือเปล่าผ่านนะฮะ ตองง่วงให้ผ่านต้องง่วงหรือว่าถาผ่านก้อง่วงได้เป็นเจลของสมบุก ป, ปิดเอร์ปิติบางทีก็จะ ป, ปิดติดตรง น, นั้นบางทีทางทางที่เราจะเดินปัญญาต่อเรนะาต้องผ่านต้นนี้ก่อนถ้าเราผ่านต้นนี้ไม่ได้เราจะเดินปัญญา มันก็ไม่ได้คำว่าเดินปัญญาคืออะไรที่เห็นเห็นใจรักที่มันจะแสดงในกายในใจเป็นผู้เห็นนะไม่ใช่การคิดนะไม่ใช่การคิดไม่ใช่การคิดว่าร่างกายหรือว่าจิตใจมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แหละตามตำราที่เราไปอ่านนะแต่การบปัญญาคือพอสติเราตั้งมั่นมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดู แล้วก็เห็นเป็นกายเห็นใจเขาแสดงใจรักนั่นละนะมันถึงจะเกิดการสะตมปัญญานะนะเมื่อสะส ป, ปัญญามากขึนะ้นจิตก็แยกออกไปนะแยกออกไปเป็นจิตที่ตานะั า, ากกตหาอาการที่เกิดตับรูปก็ตัณหาอาการที่เกิดกับนามก็ตัณหาจิตที่แยกออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นแล้วก็ไม่เข้าเป็นเป็น มันมันถึงเป็นคนออกจากความทุกข์มันก็พ้นออกมาะไอ้ทุกข์ที่จับยากมันก็ค้นได้ไอ้บางอย่างที่มันละเอียดก็ยังหลมกิดจบางทีพอกิจที่มันได้ความรู้ได้ความพอใจแบบนั้นบางทีก็มันก็มีความหลงแบบละเอียดนะหลมในวิปัสสนาหลมในกิจยานหลมในความรู้บางทีมันก็รู้แต่มันตก เขาจะโดดในความรู้มันยังดีใจยังพอใจหรือว่ามันก็ยังทุสึกภูมิใจนะภูมิใจไอ้คนนี้ก็ใหม่แล้วก็ว่ามันดีแล้วก็ว่ามันเราเป็นขึ้นกับพัฒนาขึ้นที่ททททใจริงก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราผ่านมันไม่ได้อีกละเราก็จะกลายเป็นเป็นติดตรงนั้นนะเป็นติดตรงนั้นก็ยาก อยากจะใจกันยีบอกไปสอนไปช่วยคนดื่นนะหรือ เ, เห็นเราดีกว่าเขาคนอื่นไม่ดีนะนะก็จึงเป็นมาทางนี้หมดเลย น, น, นะอยากจะดูช่วยคนนั้นก็มีนะนะอันนี้ก็จะเป็นไอที่มันด้เอียดขึ้นได้เอียดขึด้นนะแต่ถ้ามานันยังไม่ถึงท่านนั้นหรอกถ้าถ้าเรายังมไม่ผ่านตัวฝักสุโมะนะ สายนาการของส ม, สมาธิย่อมผ่านไม่ได้มันจะแยกไม่ได้นะแยกจิตอเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้นะถ้าจิตหนึงแยกไม่ได้แติก็เดินปัญญามันไม่เดินนะอ่าแต่การที่เรามีสติเนะี่ยบางทีมันก็จะมีถ้าเราไม่ได้ทําสมาธินั่นแบบมากๆมันก็จะมีจิตเป็นผู้รู้ที่ลักษณะการฝึกสติเป็นทางรัด ทางรัฐพิสูจว่าตอนไหนที่เรารู้สึกตัวเจิตจะเป็นผู้รู้ทีลักษณะทีลักษณะแต่ถ้าเราเดินแบบสมาธิเกินัมันต้องสมาธิท่านขั้นสูงระดับหนึ่งนะจิตถึงจะแยกอกอกอามาเป็นผู้รู้พอนนั้นมันก็มันก็เห็นแต่กว่าจิตจะมีสมาธิถนัดนั้นมันมันไม่ง่ายดันะ น, นั้นการเจอสติมันจะเป็นทางรัฐในการที่ว่า แม้จิต่รไม่ได้ตั้งว่าเป็นผู้รู้แบบเป็นดวงนะแต่การมีสตินะ่ยมันจะเป็นการรู้นะรู้ทีละัรั้งรู้ทีละัรั้งรู้ทีละครั้แต่มันพอเรารู้ทีมากขึ้นนะนะแต่ก่อนเราเรียกว่าสุดเจนสติพอไปสติทำไมจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาคือมันมีมากนะมันสะสมเรื่อยๆมันมีกําลัง เขาต้องมาหาก็จะเรียกว่ามีกำลังมากก็ได้บางครั้งะเราจะรู้สึกว่าเรารู้แต่มันทาไมรู้แว่ามันไม่รักรู้ว่ามันทำไมมันมันสะกดไม่ได้เพราะว่ากําลังเราไม่พอนะคล้ายๆเหมือนเราเป็นเด็กอ่ะต้องตือนนี้นะมันก็เด็กเจอได้คัณอยากจะยกนะแต่มันยกไม่ไหวตัวมันไล็เกี่ยวกาลังไม่พอ แต่เด bon. ็กคนนั้นก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาโตตัวขนาดนี้อ่ะค่อยลดได้แต่นั่นแหละบางทีบางทีเราก็รู้นะว่าทาไมมันโกรธแต่มันรู้แล้วมันไม่ลกต้องโกรธเพราะว่ากําลังมันไม่พอรู้นะว่ามันหลงรู้ว่ามันอยากบางอย่างมันรู้อยู่แต่ถ้ากําลังเราไม่พอจะไม่ยังไม่เป็นมหาอสติมันก็เลยยังรักไม่ได้นั้นเนี่ย ที้บางคนเกิสงสัยว่าทําไมเราเราดูแล้วทําไมมันรักไม่ได้นะอยู่บางทีทำไมเราอย า, อยากเดินข้างขั้นนะเนี่ยอยากเดินปัญญาอยากจะไปพิจรารณาอยากจะิจจะน้นจาความทุกข์แต่จริงต้องไปค่อยๆใส่ระดับนะแต่ระดับจากการที่เรามีสตินะเพื่อให้เกิดตัรู้นะ เมื่อเกิดจะรู้นะบ่อยๆมันก็เป็นมหาตติติมันมีกําลังมากขึ้นมันเป็นมหาตตินั่นแหละก็คือมันมีกําลังของไรกําลังของสมาธิมาเติมแต่เป็นสมาธิที่มีสตินําหน้านะนะมันคล้ายเหมือนตติตติแรกๆมันเหมือนใบมีดบางๆนะมันก็เขือนเหือกเฉือนอะไรเฉือนผมกลมพงผ ม, ผ ม, ผมอะไรไเล็กๆน้อยพอได้ แต่จะไปะตัดไม้จะไปถ่ายปืนมังไม่ได้แต่พอเราผสมมากขึ้นมากขึ้นมันเหมือ น, นจากมีดลางบางมันก็กลายเป็นเป็นค้าเป็นมีดใหญ่ที่ก็ตัดนะตัดไม้ตัดปืนได้มันมีความหนักมันมีของโผล่ด้วยะจะเรียกวัติเนีมันคือตัวของโผลก็ได้ตัวสมาธิ ความตั้งมั่นคือความหนะักถ้าสองตัวเนี่ยมาประกอบกันนะมันจะตัดอะไรก็ง่ายนะมันจนะดีแน่ะบานทีเราสติไปมันก็รัะไปได้ทีละนณะอ่นะัะทีละนณะทีละนณะแต่ถ้าอารมณ์มันแรงหรืออารมณ์หนละเอียดบางทีเราก็จะไม่ทันแต่ถ้าเราสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะเออแล้วก็จะทันบ่อยขึ้นแล้วก็รัะได้ง่ายขึ้นครับนะ ไอตัวบางอย่างเนี่ยบางทีมันลัดยากนะแต่ก็มันเหมือนมันทดสอบเราวันนี้ทดสอบเราพรุ่งนี้ทดสอบเราหลายๆครั้งนะเราก็จะค่อยๆจับทางมันได้นะัเหมืนคนปฏิบัติหลายๆครั้งละความง่วงนะบางทีก็มีนะออื <c oughs> มีมาแค่ทุกวันนะแต่พอเราเนะฝึกหยุดกับมันบ่อยๆฝึกหยุดกับมันบ่อ ย, อ ย, นอยๆนะมันก็ง่วงก็ง่วงไปแล้วก็ ค่อยๆหาวิธีแก้ไขค่อยๆอยู่กับมันได้ไแต่ก่อนคนม่วงจะเป็นเสียใจตนนั้งหลังก็พออยู่กับมันได้ไไดนะหลายคนสอนเก่าด้วยเหนือนกันนะหรือบางทีเราถ้าเกิดความถนัดก็ไม่ใช่เพลินนะปฏิบัติมันก็เหนื่อยมันก็เบื่อมันก็สงสัยนะมีกัน แต่เราก็ไปก่ อ, อนลักไม่ได้นะสงสัยรู้ว่อยากคิดอืสงสัยก็มันเก็บมันเก็บความสงสัยไม่ได้อยากจะคิดอยากจะถามแต่พอเราลองดูดีๆว่าสงสัยรู้สึกสงสัยรู้สึกลองลองรู้สึกไปเรื่อยๆบางทีความสงสัยบางอย่างนะเราก็ไม่ทันเก็จใจ ไอ้ที่เราสงสัยที่เราอยากจะรู้เนะี่ยบางทีก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องดับทุกข์โดยตรงนะเคยเคยมี้หทีเราอยากจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าอยากจะรู้เรื่องพิธิกรรมอาจจะรู้เรื่องนะนั่นนี่ในพธธระพุทธศาสนาหรือบางทีเราก็อยากไปรู้เรื่องที่คิดว่าพระจะรู้คนก็ไปมือเปลี่ยน ไปถามเรื่องนะ้องต้องสวัสดิ์ไปถามเรื่องบุญเรื่องบาปนะแต่ถ้าเราแค่รู้จากการที่เราไปถามคนอื่นนะบางทีพระรูปนี้อาจะต่อแบบนี้นบบนพระอีกรูปอื่นพระจากวัดอื่นอาจจะต่อไม่เหมือนกันบางทีความสงสัแเ้ว <laughs> ยิ่งสงสัยหนักกว่าไปใหญ่ <laughs> แต่ถ้าเราลอง สังเกตคือตัวเรรองสังเกตดูตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรกุศสนอะไรอกุศลอะไรคือศาสนาอะไรคือพุทธศาสนานะอะไรคือมรรคผลนิพพานแต่ผู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าถามไม่ได้ฟังไม่ได้นะต้องฟังไป น, นถามก็ได้แต่เราจะไม่ ไม่พยายามที่จะประมวลก่นอนเชื่อให้มันแบบสรุปทันทีเหมืนนะเราต้องฟังไปเราต้องได้ยินไปแล้วก็แต่เราต้องภาวนาของเราไปด้วยนะภาวนาไปนะ่นปนะมันก็นจะเข้าใจเองอย่างหลวงพ่อมีขอเขียนท่านบอกว่าตอนที่ท่านอยากปฏิบัติธรรมนะท่านบอกว่าท่านอยากจะรู้จักเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ก่อนกลัวบาปแต่ก็รู้จักว่าบาป เป็นแบบไหนอยากจะทาบุญแต่ก็ไม่รู้ว่าบุญมันเป็นแบบไหนต้องเราดูอย่างอบาปเป็นแบบไหนรู้ไหมเช่น ช่วย<ม>คนธรรมดาหรือว่าช่วยพระช่วยงานา อ, ย อ, ยาอือ่นอ่าอืมทะเลไม่แน่ใจว่ได้บุญหรือได้บาปอืมมีเพื่อนตอนไหนที่ว่าจริงเข้าใจตอบเพื่อนไหม เดี ể, ๋ให้มันจะเลยหมดเลยมีใครอยากจะตอบนะมนักจะตอบได้นะคปูครูตอบนะสมมติถ้ามีเด็กถามใช่ใช่แต่ก็ฟินไปแต่ก็ฟินไป อยู่ที่เจตนาแหละเจตนาเราเจตนาดีเราก็ได้ด้วยบุญแม่เราเจตนาไม่ดีแม้บางทีการจะทําดูดีนะเ mm hmm. ช่นโอไปถวายถวายเข้าป่าแต่แบบถวายทุกแบบเอาหน้าอืม mm hmm. แบบชั้นแบบมันเกยทันนะ์ะวันนี้ถวายพันหนึ่งเราถวายหมื่นหนึ่งแบบร mm hmm. ัวไทยไทยแบบ ในในกองัพอันนี้คือมันได้ยึดบุญ น, น้อยแต่บาปเย็ะเพราะว่าเหมือนเราเอ่อเกิดาที่จะไม่ใช่รักไม่ใช่รักควากันณีนะแต่เราเกิด น, นาเพื่อที่จะเพือ่อพ่อปู่อัตาเราไม่ไก่ขึ้นอันนี้คือมันก็เลยที่จริงบางทีการทํามันก็ไม่ใช่ว่าบุญหรือบาปมันก็ไม่ใช่บังทีก็ไม่เกี่ยวขี้เกียวทั้งหมดตรง น, นั้น แต่เราก็อาจจะมีเปอร์เซนต์ที่มันอาจจะมากหรือน้อยต่างกันแต่ที่จริงถ้าเราคนที่เราจะรู้ตรวเราคือตัวเราเองเพราะนั้นนหะว่าเจตนาในการทํำแต่ละอย่างเช่นเราอยากไปช่วยคนอื่นนะเจตนาของเราบริส่วนไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะอันนั้นคือเราเราก็ใจเราก็เป็นบุญนะแต่บางทีแต่ตอนที่เราไปช่วยเขาแต่เขาอาจจะ ไม่รู้สึกขอบคุณหรือไม่รู้สึกยินดีที่เราไปช่วยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราทานไปมันมันถูกหรือเปล่ามันดีหรือเปล่านะอันนี้มันมันก็ไม่ใช่เป็นบาสนะแต่มันเป็นความสงสัยเป็นความทางเลเใจว่าเราทําถูกหรือไม่ถูกมันเป็นความสงสัยนะไม่ใช่บาสนอกจากบางอย่างเราไปช่วยคนทคํากิจนะเช่นเช่นคนนี่นทํากิจ แล้วก็ขอให้เราช่วยแบบจับผิดให้เป็นผู่ น, นะเราเเก็เจตนานะอย่ากจะช่วยเขานะแต่เราไปช่วยในทางพิจิตรอย่แบบนั้นปะอืมใะ่ไหมันะนะับางทีบางรายที่นะเสี่ยงนะอย่างเช่นทนายความอย่างนะี้บางทีถ้าคือเราก็ค้นวิจารณาว่ามันบางทีเขาเพิผิดจริงอ่ะนะนะนะแต่ไป็นปกจากเราเป็นข่าวนะมันก็อันตรายนะอันตราย แต่ถ้าเจตนาแบบขอให้แบบับรับผิดตามสมควรแต่ไม่ใช่ว่าปกปิดทั้งหมดมนะก็คอยด้ตรงนี้นั้นถ้าเราช่วยสิ่งนี้เราช่วยเป็นกุศลสิ่งนี้ช่วยไม่ใช่ถึงเรื่องของความผิดมันก็ไม่ได้ตึงปากแต่ตอนนี้มันก็มีอีอย่างคือบางทีเราก็ช่วยคนอื่นน่บางทีก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องประเมินดูว่าเราจะช่วยเขาจะดับไหน มันดีอย่างลูกเราหลานเราคนเราก็อยากจะช่วยเขาแต่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากให้เขาได้พัฒนาตัวเองนะอย่างให้เด็กทําการบ้านเองได้ฝึกงานฝีมือเองได้ทาอะไรเองทำการงานบ้านเองเพื่ออะไรที่จริมันเป็นการช่วยแบบเหมือนเราไม่ได้ไปทำแทนแต่คือการไปช่วยเขาได้พัฒนาตเองอันนี้ก็เป็นการช่วยแบบนึงแต่บางทีถ้า เราก็าไปช่วยเขามากเกินไปเขาสะท้อนให้เป็นเขาอ่อนแอเ่ยอันเหมือนช่วยให้ผ่านตรงนั้นแต่ผลบ้านไปเขาเขาก็เหมือนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อันนี้ก็เกันตนาดีจริงแต่แต่อาจจะไม่ได้เป็นผลมีเลและได้ยาวอันนี้เราก็ต้องระวังบางทีด้วยความรักมากด้วยความสงสารมากบางทีก็จะทําให้เรา เข้าไปคนนั้นมากเกินไปบางทีแม้เจตนาดีแล้วแต่บางทีก็ต้องมีมีกูเบขามีปัญญาเข้ามาคำปันะ่นนะบางทีเราหนีขอทานอยู่ถนนน้าสงสารไปช่วยก็เราเคมีความคิดในใจะนะจะช่วยดีไม่ช่วยดีขอทานขอไปแล้วจะใครเอาไปหรือเปล่าอะไรนะเป็นคนะนใหญ่ให้อรือไม่ให้ เรามาคุยเงินเลยเนี่ยก็จะไม่ตทำเลยอย่างเงี้ยบางทีก็สั่งงานเนาะบางทีก็บางทีมันก็ข้ามตื่นไป่ก็อย่างว่าถ้าเราให้แล้วเรามีคิดมากเราก็ได้บุญ น, น ะ, ะเผื่อเขาจะไปทำอะไรต่อก็เป็นเรื่องของเขาละแต่ถ้าบางอย่างเราค่อนข้านชัดเจนว่าว่ามันเออตรงเนี้ย มันมีเป็นกระบวนการค่อนข้างแน่นอนอนะไรเลย้ะไอ้แบบนั้นนะเราก็ไม่มีช่วยแล้วก็ไม่ผิดนะไม่ได้ช่วยก็ไม่ผิดหรือบางทีญาติโยมคนก็สงสันะบางทีไปทําบุญกับพระกับวัดก็จะให้บุญมากมน้อยหรือเปล่าแบบเราเราก็ไม่สบายใจนะบางทีเราไปทํำบุญบางที่เราก็ไม่สบายใจแต่จริงถ้าเราทําบุญแล้วเรากนะ็วางเลยวางเลยเราก็ได้บุญนะนะแต่ถ้าเราไม่สบายใจเพรเราเราผิด ว่าคิดถึงว่าเอจะได้มากได้น้อยหรือท่านจะเอาเิ่งที่เราถวายเอาไปทําอะไรต่ออันเนี้ยคือเราก็ยกังแบบไม่ได้ให้จริงจิเรายังคิดว่าไอ้ที่ให้ไม่ยังเป็นของเราล้วแต่ที่ท่าให้จริงให้แล้วก็คือตลา ด, ด, ดเมื่อตลาดไปให้คนอื่นแล้วอันนั้นก็เป็นของของท่านของของเขาแล้วดันั้นเขาจะไปทำอะไรต่อก็เริ่องของเขาเราให้เงินคอยทานก็เรื่องของคอยทางนะเราถวายพระ ก็เรื่องของทานละทั้งนั้นบุญหรือบาทที่เราได้ก็ดีละแต่ท่านต่อไปต่อเองของท่านแต่ก็แน่นอนถ้าถ้าสิ่งที่เราทําแล้วมันนอกจากประโยชน์ในการให้บุคคลที่หนึ่งบุคคลนั้นเอาไปต่อยอดอีกมันก็ย่อมได้บุญมากกว่าแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใหแ้แต่แต่แบบนั้นนะเพราะบางทีถ้าบุญในแบบที่ เราไม่ต้องไปคิดถึงว่าเราจะได้มากได้น้อยหรือว่าไม่ต้องคิดถึงอ่าพวกนั้นมากบางทีเราก็สะก ด, ดไปเลยมันเหมือนบุญมันได้สดกดไปเลยมันก็ง่ายกว่าแต่ก็ต้องมีปัญญากำกับนะอย่างที่ว่าบางทีถ้าเรารู้ว่าเราไปช่วยเขาแบบผิดๆนะหรือว่าช่วยเขาแล้วเขาไม่เกิดการพัฒนาตนบางทีเราก็ได้บุญแต่เขาไม่ไ ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดการพัฒนานะบางทีมีน ก, มนก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน่ยพ่อเขียน น, ยนั้นก็สงไปเอยู่แน่นะก็ามาปฏิบัติธํามเอยากจะเข้าใจธรรมะออแต่จะอยากจะเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาเนี่แหละท่านปฏิบัติแบบหลวงพ่อหลวงพ่อเขียนแลก็ เขาได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็จะสอนคนที่รู้จักรู้จักเรื่องบูมรู้จักเสื่องบาสหรือมัก็เปลี่ยนนะมันก็เที่ยนตอนก่อนท่านจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะท่านก็นเจอพระอาจารย์รุ่งหนึ่งก็ไปก่อนท่านเป็นพ่อค้าเรือนะมาถึงว่ามีเรือแล้วก็เลยสารค้าของค้าสิของในแม่น้ำโขงนะ ก็ม ok ja ีพระอาจารย์ให้ก็ติดเดือของท่านมาแล้วก็แล้วก็หลวงพ่อเฉียงต้องต้งสนใจเรื่องธรรมะก็คุยกับพระอาจารย์ท่านตั้งแต่เย็นจนท่านถึงรุ่งเช้าคุยเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระอาจารย์เรื่องนั้นท่านก็สอนหรือท่านก็แนะนําเรื่องวิธีปฏิบัติเนี่ยนะแต่หลวงพ่อเฉียงมีความสงสัยท่านซางใหญ่นะทั้งคืนนจนสุดท้ายนะพระอาจารย์เรื่อ้ท่านก็บอกว่า แต่ถามเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่ใจเราต้องจะต้องไปปฏิบัติเคือท่านก็ปฏิบัติจนเข้าใจนะแต่ก็ยังก็ยังไม่เข้าใจถึงเข้าใจในความคิดหรือว่าพอพอเข้าใจแนวทางละแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเกินกว่าท่านก็ไปใช้ที่วิตยาศาสกรสองสามปีมากเมื่อมันเขียนว่าตะวเองพุ่งแบบไหนมันถึงย่งอยากปฏิบัติ ทำไมท่านตนท่านถึงตัดตใจตอนนั้นคือท่านทําบุญกริ่นเราก็ว่าทําบุญกระิ่นเนได้ได้บุญเยอะเนาะเพระเทียนก็เป็นเรียก ว, ว่าเป็นเสื้อผ้าทำบุญกรินนะเป็นประจําหลายปีแล้วแหละนะบุญกระถินปีนั้นน่าจะประมาณปีสองพันห้าร้อยนะถึงสองพันสี่ร้อยสักกี่ก้าวเะ้ามาก็ท่านทําบุญกระถิน พอทำบุญกระถินสมัยก่อนทนะ่านก็ยังไม่เข้าใจมากก็มีมหะห่อผสมนะมีหมอำํำมีอะไร น, นะเป็นงานสมโพธิ์ท่านก็ทำไปด้วยแต่ท่านกานะ็ตกลงกับแม่บ้านท่านว่าเด อ, อ๋ตัวท่านเองจะเป็นหน้าที่รับแขกแล้วก็ถือสิ่นแปดนะคอยรับแขกคอยอ่้าไไยไคไ้ายๆนุ่งเท้าห่มเท้า ไห้ได้บุญมากขึ้นในการมีสิ่งที่สืบขึ้นแล้วก็ให้แม่บ้านท่านตเป็นคนรับผิดชอบเพิ่มเงนินเรื่องครองเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินต่างๆพอแต่ก่อนเมันจะไม่เหมือนสมัย น, นี้นะที่ตกลงราคาชัดเทียนไม่มีมหาหรอสดอะไรแต่หลวงพ่อทีจะจ้างหมอรามาแต่ต้ก็ยังไม่ตกลงราคาอัานนี้หมอรำเาก็มาถามนะเขาไม่ใช่แม่บ้านก็มาถามหลวงพ่อเกียรว่าจะให้ ให้เงินค่าหมอรำเขอเท่าไรน้อพ่อเทียนตอนนั้นยังไม่บวชนะก็แค่แม่บ้านถามฉนะุนนะ่ะโกรธในใจนะคล้ายๆว่าตกลงกันแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันนะให้เธอจัดการเรื่องเองินเรื่องคลองมาถามทำไมประมาณนั้นก็คิดในใจแต่น้องพอเทียนก็เก็บในใจนะนนเหมือนตอนนั้นก็ยังมีแกลมีอะไรอยู่แต่พอวันมุ้งขึ้นพองานเสร็จนะ กินข้าวที่ทานกับแม่บ้านในครอบครัวหลวงพ่อเทียนที่ควาที่เก็บไว้ในใจจะถามแม่บ้านก็ต่อว่าก็มาณเกณฑต่อว่าตระมาณนะีะก็ทำไมเมื่อบานมาถามเรื่องเองินท่านหมลรำนะเราก็ตกลงกันแนละ้วนี่แค่แร่ว่าให้เธอทีคนจัดการปรนมาณนะแม่บ้านจะถามเอ้าก็เป็นหัวมีการขาดแค่ น, นี้ไม่ได้หรืออะไรประมาณอลวงพ่เทียนก็ ไม่รจะต่อยยังไงก็เอา้าก็ตกลงกันแล้วว่ให้เจ้าเป็นผู้จัดการประมาณนะั้อนุแม่บ้านจะถามย้อนเลยนะต้องถาเนเจ้าก็โกรธนะอะมาณนั้นก็พัดเรียนอืก็โกรธนะอืมแม่บ้านก็บอกเอ้อเจ้าโกรธเจ้าทำบุญเจ้าก็ไม่ได้บุญสิคนะื อ, อพอทำบุญแล้วก็มีโทรศัมีความโกรธมีความไม่พอใจแม่บ้านจะย้อนนะ พับุญก็เลยไม่ได้บุญอพอหลพ่อเทีคิดได้นะนะจริงนะเราทันบุญถามว่าได้บุญไหมได้อยู่บ้านแต่แต่ความโกรธมันเป็นหนักกว่านัำใจกว่านหลวงพ่อเพียนพอพอเกิดเหการเนี้ฉันก็เลยคิดคิดสลัดน่นสลัดบ้านสลเดินออกไปปฏิบัติตั้งใจคิดว่าเออถ้าถ้าใครปฏิบัติทันแล้วก็ยังไม่เข้าใจทันก็จะไม่กลับ ก็จะได้กลับมาที่บ้านใช้ๆกัดไปยาวเลยลนะก็ให้แม่บ้านให้ลูกมาดูอบการงานตัเองก็กระออกไปไปปฏิบัติเนี่ยท่านก็ปฏิบัตินะก็เข้าใจธรรมะออกไปปฏิบัติแค่สองนะ <c oughs> วันนะอได้ความตั้งใจจริงแล้วก็อาจจะได้ผลทําจริง น, นะก็เข้าใจจริงนะสองวันก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้เริ่มนา ปฏิบัตต่อไปเขต้องใจมากขึ้นคือท่านก็ทําจริงๆนะมันก็ไม่ได้ยากเึินไปแต่ก็กเรื่องบุญเรื่องบาปนะก็เกิดความเข้าใจเองเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องมรรคผลวิปพานก็ค่อยๆเข้าใจนะเกิดจากการปฏิบัตินะนะไม่ใช่เกิดจากการพยายามคิดเข้าใจนะบางทีอืมในคำอธิบายหรือัในคำที่ เราได้ผ่านได้ฟังมามันดีก็มันก็ยังเป็นเพื่อหนังสือแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับสภาวะิจิตนะิจิตแบบไหนเป็นบุญจิดแบบไหนเป็นบาติดแบบไหนเป็นนิพพานละองสัมผัสยูน mm hmm. นะเราจะได้สังเกตว่า mm hmm. ไม่ต้องรอคนอื่นบอกไม่ต้องให้ใครกาดันตีก็ได้เราจะสัมผัสได้ Okay. แล้วเขียนให้พระาบอกเาว่าุก็คือใจดีกินข้างแซมบาก็าคือใจหลายกินข้างแซม <laughs> และนี่คือตรง น, นี้ยนะ้องก็เป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆสังเกตเอาและก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันว่าในที่ปทะธานโอม่าบอว่าถ้าการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นมาปฏิบัติต่อเนื่องซึ่งทุกคนก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันนะมาการปฏิบัติต่อเนื่อก็จะเป็นการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะหัดอะไรไงก็่ามเนี้ยการที่เราหัดต่อเนื่องก็ได้ผลอยู่แล้ว การปฏิบัติก็เป็นสิ่งนึงการลงมือทจริงๆการลงมือทำจริงๆตอนนี้ก็องให้ผมเพรนันคือก็อยากให้พวกเหได้ลองว่ลอ ง, ลองปฏิบัติเอแล้วก็ลองก็เรียกว่าลองตรวจสับผลเงที่ไหนที่จิตใจของเราทุกอยู่ในจิตใจของเราเพราะคือถ้าจิตใจของเราแบ่ว่าบได้ทำต่างกัน ปฏิบัตการรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เราเหมือนกับว่าอืมก็เรียกว่าลงพ้นจากความคิดมาการรู้ซื้อนะหลงพ่อเถียนจอกรู้ซึ่งการรู้ซื้อเนี่ยหมายถึงว่าลงท่านเราก็ไม่ต้องคิดกำกับไปด้วยไม่ต้องคิดหาว่าเอ๊ช่ไหมหรือไม่ใช่คือรู้สเฉยรู้สึกตัวน่ะรู้เฉยๆหลวงพ่อเทียนจะาที่ไปสอนไปสอนคนตางประพูดก่งไม่รู้เรื่อง เราเรียนเกี่ยวกับวิธีจับจับดวงวิญญาณถามควารู้สึกตัวมัยก็แบบนี้อยู่แ้วคือตรงนี้เขาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ความรู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกได้แต่ที่ไม่รู้สึกได้ก็มีความคิดเนี่ยมาขัดกันตรงนี้ผมก็เรียนวาจะให้หมักเอาไว้นะเอออย่าอันหนึ่งก็คือรู้สึกซึ้งอันหนึ่งก็คือไม่เข้าความคิดเนียอย่างที่ เราปฏิบัติกันเนี่ยเรียนสื่อว่าว่าเนี่ยณบันนี้เนี่ยเราปฏิบัติกันไปเราก็จะมันจะเห็นความคิดบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆแล้วก็จะปฏิเสธต่างเดิเราไม่ใช่ว่าเราอยากจะไม่ให้ความคิดมันมีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติคือเราไม่ยุ่งกับเขาได้ไหมันี่การที่การรู้สึกโตนขึงอาใจมาจากความคิดก็หลังด้วยกันมันก็ไม่ยุ่งกันแล้ว นั่นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงค่ะท่านบหรือว่าการที่ของปฏิบัติก็จะลดกระสับกะส่าว่าการที่รเราเร่งเจ้าของตรงนี้การที่เราคอยจี้คอยจับเลยคอยที่จะรู้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางเลยตรงนั้ตรงนั้นก็คือมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันไมเทียงทีจะบอกว่ า, วาให้บานกายใช้กายวางใจกับกลางไม่เพ่งไมจับ แต่เมื่ออที่เราเพ่งเจ้าเนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ด้วยความอยากความโลภความอยากได้ความอยากรู้เดี๋ยวนี้ความอยากรู้เยอะๆอย่างเงี้ยเพราะ้นจิตใจก็จะไม่เป็นกลางเมจิตใจไม่เป็นกางก็จะบังครั้งเอากายเนี่ยใช่ไหมครับให้ทําเรื่องราวที่มากเกินจำเป็นอาทิเช่นเหนว่าคอยแนละ้วแหวนคอยเพ่งรู้เพ่งด้วยใจแล้วก็อย่งก็เร่งด้วยกายอีกนะอะไรต่างๆ ตรงนี้ก็ให้เราได้เหมือนกับได้รู้ได้ดูเวลาที่ปฏิบัติพ็ให้เราได้เหมือนกนเราลึกถึงคําทุกประการของหลวงพ่อเด็ ก, กเขาบอกไม่อันนั้นก็คือได้อยู่เฉยถ้าหลัว่า เ, เราเนี่ยเราเสังเกตนะเมื่อเราอยู่เฉยเนี่ย น, น, นะความคิดเนี่ก็จะออกไปเอเอาไปจิตแล้วเอาจาจิตใจของาไปเราเราสังเกตเลยนะคือถ้าเราสังเกตเป็นคนปฏิบัติเนี่ย ถ้าเราสังเกตุพอ เ, เวลาที่เรานั่งเฉยๆเมื่อไนี้ครับนั่งตรงนะั้นจ่ายดอยเรียบดอยแล้วหนะึ่งนั่คือผนเแนกนั้นก็ให้เราได้ไปกลับบาได้หลังได้หลคือครูบาอาจารย์ช่วยสรุปนช่วยสรุปวิธีการให้ตรงนี้รู้สึกซึออไม่ทำของคิดวางายเป็นทายวางใจกั็นป่าไม่เป็นกุญแจอย่างที่พระจาน เทเมื่อวานนะคำแรกเลยก็คือเรารู้สึกสบายที่กายหมเรารู้สึกสบายที่ใจไหมตรงเนี้นะครับอย่านะงนั้นตรงเนี้ยเขาให้เราสังเกตกปัญญาท่าทางของเราเนี่ยนะครับการลุกมาที่กายก็เพื่อเราปรักปริยาท่าทางของเราให้เป็นการวางการเคลีรายนะครับไม่แข่งไม่คืนในส่วนใดไม่พยายามในส่วนใดก็ตรงนี้อีกสองข้อก็จังอืม มีข้อหนึ่งก็คือก็ไม่ต้องอย่างรู้อยากเห็นอย่างเป็นอย่างคือเมื่อไหร่ที่เรามีสตินะครับจะเรียกว่าความอยากมันก็จะหมดไปอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีความอยากมันก็จะไม่มีสตินั่นคือตอนนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนีเมื่อนั้นก็การสติไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือนี้การปฏิบัติของมันเมื่อเรารู้สึกตัวตรงนั้นก็เป็นการทําเหตุที่ ให้คนที่ดีอยู่แล้วเป็นการทำเหตุที่ให้คนที่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นการทำเหตที่ทําให้ใจไม่ถูกอยู่แล้วเพราะเราเชือไม่ต้องอยากอีกนนะครับมีอะไรก็ยังจำไม่ได้แต่นะครับก็เอาไว้เชื่อมดีก่อนถ้าจำได้ก็เดี๋ยวเราบอกเองดีเดี๋ยวพวกเราก็ทานกันนะครับอาการดีเดี๋ยวเราก็